ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนเสนตอนที่38ยืินแดนอริยธรรมหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนได้ให้อวัตธรรมเอาไว้ว่าอเนกชาติสังสารัง สันทาวิสังอนิพิสังข้าการังเขเวสนโตทุขาชาติปุรณะปุนังข้าการกะทิโถสิปุรณะเคหังนการหสิสบาเตผาสุกาภักขาขากูตังวิสังขตังวิสังขาระขตังกิตตังตันหานังชยมัชชขานี้เป็นพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงพูดเย้ยถ้าจะพูดแบบโลกโลก พูดเยยพูดถากเจ้ากิเลสตัญหาอาวิชชาโดยใจความย่อๆก็ว่าเมื่อยางความรู้แจ้งเห็นจริงที่ทันสมัยในการปราบฆ่าศัตรูของเรายังไม่เกิดยังไม่มีเราจาต้องเสาะแสวงหาและท่องเที่ยวไปใน ส, ส, สังสารวัตรนี้หาประมาณไม่ได้ที่เรียกว่าอเนกชาติไม่ใช่เพียงชาติหนึ่งชาติเดียวเท่านั้น แล้วก็สล ะ, สะหานายช่างเรือนคือเจ้าตันหาคือตันหามีอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดซึ่งเป็นเรื่องหาบกองทุกข์ทั้งมวลดูก่อนนายช่างคือตันหาผู้สร้างบ้านสร้างเรือนให้เราท่านว่าพูดง่ายๆแบบนี้เราได้เห็นตัวเจ้าเสียแล้วเจ้าไม่สา ม, มารถที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติให้รองต่อไปได้อีกแล้วซี่โครงอันเป็นฝาเรือนของท่านนั้น ได้ถูกเราทำลายให้เสร็จไม่มีเหลือแล้วเรือนยอดคืออวิชชานั่นแหละเป็นตัวสาคัญทันว่าเรือนยอดเราได้ขจัดหมดแล้วจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งวิสังขารอันสมมุติใดๆเข้าปรุงแต่งไม่ได้แล้วและได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาได้แจ่ถึงพระนิพพานนี่เป็นพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านเอาไว้และได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือหลวงตามหาบัวม่าสจาย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ไว้ว่าวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีภายในขอบเขตแห่งกทศิมาอารามที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเจสรศิลคุณหลวงตามหาบัวได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศราช2498 สาเหตุเพื่อโปรดและสนองคุณมารดาผู้ให้กำเนิดสำนักวัฏถบัตฑารคือมหาวิทยาลัยสงฆ์ชั้นเอกของพระพุทธศาสนาในทางภาคปฏิบัติยุคปัจจุบันเป็นสำนักการเรียนรู้วัตถปฏิบัติชั้นเลิศตั้งแต่ชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงสุดแห่งสมถะและวิปัสสนาโดยอาศัยพระมหาเทรผู้ทรงคุณธรรมคือพอแม่ครูจารย์ลุงตามหาบุญยนสัมปนโน เป็นผู้อบรมสั่งสอนท่านสอนธรรมจากใจอาศัยตำราทางใจที่ท่านรู้เห็นบรรลุเป็นหลักและสอนโดยไม่สะทกสะทานในสามแดนโลกกระธาตุท่านจึงเป็นผู้ชำนิชำนาญทั้งภาคปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเป็นครูเหนือครูที่หาไม่มีในโลกปัจจุบันสำนักแห่งนี้จึงมีทั้งพระชายพระฝลัง่งผู้ที่อาศัยศึกษาปฏิบัติอยู่สำนักนี้นั่นแสดงเห็นว่า ถูกขัดสันสั่งสอนมาเป็นอย่างดีเพราะผ่านหูทิศตาทิศสอดสองดูแลและการอบรมสั่งสอนแบบถึงคลิกถึงขิงถึงแก่นแท้อาจารย์ผู้สอนคือหลวงตาพร้อมที่จะขับไล่สิทธิผู้ไม่เอาทานออกจากสำนักตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าไปก้าวแรกเหยียบยังไม่ถึงพื้นดินสำนักแห่งนี้จึงง้อทำแต่ไม่ง้อโลกผู้มีกิเลสหนาะจิ้นเข้าไปไม่ถึงเจาะผ่านเข้าไปไม่ได้ถึงเพียงประตูนอกเขตวัด ก็ถูกขับไล่ให้กลับไปเสิแล้วพระผู้เข้ามาอยู่ในสำนักแห่งนี้มีสิทธิเพียงแค่มองดาวเดือนมองราวป่ามีกำแพงล้อมรอบมองหอนทางเดินมิถบาดและเที่ยวเมือมองเตรเตไปที่ไหนตามอำเภอใจไม่ได้แม้เพียงเศษของนังซื้อพิมพ์ที่เขาทิ้งไว้เป็นขยะก็หยิบมาอ่านไม่ได้ผู้อยู่กับองค์ท่านถึงยังไม่หลุดพ้นแต่ต้องเป็นผู้เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น สำนักวัดป่าบรนตาแห่งนี้จึงสอนปุถุชนจนกลายเป็นพระอรหันต์เห็นผลเป็นที่ประจักษ์และเป็นสำนักหนึ่งเดียวบนโลกยุคปัจจุบันที่ผู้สอนดุดพ้นผู้ฟังได้หลุดพ้นตามเป็นหลักฐานพยานปรากฏให้ค้นคว้าทางชำมะได้ดังที่พระหลวงตามหาบัวได้กล่าวยกย่องพระจารีกุสลธโรสิทธิ์รูปหนึ่งของท่านว่าธรรมรีองนี้คือมหาเศรษฐีธรรมเงียบเงีย บวชแล้วติดตามเราเหมือนเปล่งติดขามสลัดไม่ออกไปไหนติดตลอดเลยแต่ผลของแกก็ได้เป็นมหาเศรษฐีทําแบบเงียบๆมีทำแต่ใครก็ไม่รู้นะเราเปิดให้เฉยๆธรรมดาเราไม่เปิดไปไหนติดตามตลอดเลยจนกระทั่งชัววันนี้ไปไหนก็ติดไปด้วยถ้าเราไม่เปิดก็ไม่มีใครรู้เลยเราได้เปิดออกสิบ้างกว่าถึงสัตวรวัแล้วไม่มีสํานักใดสามารถสอนสารสิทธิ ท่านพระได้คารวะได้มากมายอย่างนี้การสอนนั้นไม่ได้ใช้ตารางสอนเหมือนมหาวิทยาลัยสมทั่วไปแต่ท่านสอนให้มีสติทุกการเคลื่อนไหวทุกลมหายใจเข้าออกตามแบบปฏิปทา พ, พระธุ่งกรรมฐานสายท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตลุกตามหาบัวท่านเป็นครูชั้นเลิศแม้เพียงสิทธิคิดนอกลู่นอกทางท่านก็ทราบและการาบขู่ปรางในทันที ไม่ปล่อยให้กิเลสตัวใดมาล่วงล้ำพระธรรมวินัยในขอบเขตคันทศิีมาวัดตาบันตาดได้ดังในวันที่3ตุลาคมปี2549หลวงตาได้กล่าวตักเตือนเขตอุบาสิกาภายในวัดตาบันตาดว่าผู้ปฏิบัติธรรมเลอะเทอะผู้ปกครองไม่เลอะเทอะนี่นาดูแต่คนอื่นไม่ดูหัวใจตัวเองมันก็มาสร้างความเลอะเทอะละสี ให้อภัยกันอย่านินทาการเลในวงปฏิบัติขาดกับธรรมอย่างมากอย่านํามาใช้นะล้มตามมหาบุวยานสัมปันโนท่านจึงเป็นองค์เดียวในคณะสิทธิกรรมฐานของท่านพระจารย์มั่นปุริสโตที่ยึดถือและของรูปแบบการปฏิบัติและปฏิปทาของท่านพระจารย์มั่นไว้ได้ครบสมบูรณ์เป็นที่สุดฉะนั้นในปัจจุบันนี้องค์ท่านจึงเกิดมาเพื่อเป็นแบบฉบับเป็นต้นแบบ และเป็นพระประมาจารย์ของพระกรรมฐานโดยแท้ทุกท่วงท่ากิริยาการแสดงออกในความคิดเห็นสติปัญญาอันแหลมคมจึงเป็นต้นแบบถ่ายทอดให้ชาวโลกได้ยึดถือปฏิบัติตามองค์ท่านเสมอมาปฏิปทาอย่างนี้จึงเป็นปฏิปทาสงเคราะห์โลกดี่ความเมตตาสุดส่วนไม่ใช่เฉพาะเรื่องวัตปฏิบัติการช่วยชาติด้การสงเคราะห์โลกเท่านั้นแต่ทุกๆเรื่องที่ท่านทำ เป็นแบบอย่างเสมอมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประกอบเป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์ได้สํานึก ก, า ก, กําจัดกิเลสตัวแข็งกล้าหน้าด้านในหัวใจให้มีกําลังอ่อนล้าลมและหายไปจากหัวใจในที่สุดความเมตตาขององค์พระแม่คุบานจารย์หลวงตาที่มีต่อโลกยังไม่รู้จบไม่มีประมาณความเงียบความสงบและสมณะคือบรรยากาศของวัดตรบรรด า, าที่มีพระสมมาจําพรษากว่าหรูป ต่างปัดเบญกันมาดูแลความสะอาดพระรูปใดที่ไม่มีหน้าที่หลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วจะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในกุฏิที่ปลูกอย่างเรียบง่ายในป่าห่างกันพอประมาณกุฏิของพระเนนเป็นกุฏิแบบเรียบง่ายพอจะการบางแดดลงผลสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรเพื่อกันการรบกวนจากสัตว์ร้คานและความชื้นจากดินขนาดกว้างยาวทิมพอจะการอยู่เพียงรูปเดียวฝาผนังใช้กีบวนกาวกลางกัน้น ทุกกุติจะมีทางเนจมกรมอย่างน้อยหนึ่งเส้นยาวประมาณยีก้าวอยู่ใต้ร่มไม้ดูร่มเย็นเป็นลานธรำเพื่อปรปากรากิเลส ต, ตัวที่เก็บขี้คร้านอั น, นิสงของการเดินจงกรมก็คือทนต่อการเดินทางไกลทนต่อการบำเพ็ญเพียนมีอาพาธน้อยย่อยอาหารได้ดีทำสมาธิได้านานกุติแต่ละหลังห่างกันพอประมาณมีเครือกป่าเป็นม่านกันประหนึ่งว่าอยู่ท่ามกลางป่าเพียงลําพังเดียวดาย เพื่อให้สัปปายะเหมาะจะการบำเพ็ญสมณธรรมพบอริยธรรมกิจวัตรประจําวันของพระสงฆ์ที่นี่คือยามเช้าเวลาประมาณตีสี่ทำวัดสดมนต์ที่กุฏิแล้วต่อด้วยการทําสมาธิก่อนออกบิณฑบาตพระภิกษุสามนเณรขับถูกปกวาสนาและบริเวณรอบๆส่วนพระที่อุปถากรหลวงตาก็าเคยดูแลความสะอาดเรื่อยๆในถังนั้นไม่ให้ขาดตกบกพร่องในเวลาบ่ายโมงพระเนนทั้งหมดมารวมฉันน้ําป่านาะ บ่ายสามโมงเย็นทำข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดเสนาสนะขัดทูุติศาลาบริเวณวัดหน้าวัดทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอย่างพร้อมเพรียงกันและกิจวัตรประจำวันที่สำคัญยิ่งในตอนหดข่ําจะถึงห้าทุ่มคือการฟังธรรมอบรมภาคปฏิบัติที่องคหลวงตาแสดงและการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมสร้างสติปัญญามีความเพียรกล้าหาทางแฝงเผากิเลสด้วยวิธีการต่าง ตามที่หลวงตาสั่งสอนเพื่อดับไฟคือความรุ่งร้อนกระวนกระวายภายในใจิตใจให้เหือดแห้งไปหลวงตาจะสอนพระเนนอยู่เสมอว่าจงเป็นผู้มีความเรียบง่ายสะอาดทั้งภายนอกและภายในให้เป็นผู้บักน้อยสันโดษอินดีตามมีตามได้ไม่สอกไม่สแสวงหาไม่ครุกคลีปรารรความเพียนแพดเผากิเลสรักษาศีลให้บริสุทธิ์่าให้ตีเตียนตนเองได้ในเรื่องศีล เร่งสมาธิปัญญายาช้าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือวิมุตติหยุดพ้นรออยู่ไม่ไกลเขตเคราวาดที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจะ แ, แยกบริเวณกันระหว่างหญิงและชายทุกชีวิตที่นี่มีแต่ความสงบสุขแม้แต่สัตษสัตว์ทั้งหลายในวัดก็ได้อาศัยใบบุญของหลวงตาอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นไก่สุนัขนกกระรอกกระแตลิงกระจงกระต่าย ต่างมีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์เพราะต้นไม้ต่างๆที่ออกดอกออกผลหลวงตาห้ามเก็บอามารับประทานไม่ว่าจะเป็นข น, นมมะเฟืองมะไฟน้ำนมราชสีกล้วยต้องปล่อยให้สุกคาต้นเพื่อจะได้เป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายภายในบริเวณวัดเสียงที่ได้แจ้วของไก่นกยุงและสัตว์ป่าอื่นๆจึงมีให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มเย็นทุกชีวิตต่างมาเพื่อเมตบุญของหลวงตา องค์ท่านไม่ให้เฉพาะภายในวัดนี้เท่านั้นยังเผืแผ่เมตตาไปทุกหย่อมหญ้าที่เลือดร้อนทั่วประเทศไม่มีภาคไหนที่ท่านไม่ได้ช่วยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนเรือนจําหน่วยงานราชการสถานที่เลี้ยงเด็ดกกำพร้าอีกทั้งองค์หลวงตายัางได้ตั้งโครงการรักษาป่าต้ น, ำำานน้ำลําทารน้ําหนาวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยองค์ท่าน ได้ซื้อที่ดินเป็นจำนวนหมื่นไร่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากนี้แล้วด้วยความเมตตาขององค์ท่านยังได้เผื่อแผ่ไปยังต่างประเทศอีกด้วยนี้คือสิ่งที่องค์ท่านให้ความอนุเคราะห์ทั้งนั้นปฏิปทาของลุงตามหาบัวนั้นเป็นที่เรื่มสายแก่ผู้พบเห็นเพราะทําท่านออกมาจากใจไม่ใช่เสด็จแส้แกล้งขลังความไม่ยึดติดในทุกสรรพสิ่งและเป็นคณาจารย์อารมณ์ดีต้อนรับคนทุกระดับชั้น ทำให้ผู้ที่เข้าหาศรัท ธ, ธาทุกคนที่สําคัญคือท่านเน้นการแสดงธรรมเป็นชีวิตจิตใจทุกครั้งที่บรรดาลูกศิษย์มาเยี่ยมเยือนเป็นต้องได้ข้อคิดสะกิดใจกลับไปใช้ในชีวิตเส ม, สมเอสๆแม้ในอยางอาพาธโรคร้ายรุมเรา้าท่านก็ยังข่มความเกียดกลัวแสดงธรรมอยู่เป็นนิดเพราะชีวิตทั้งชีวิตท่านปรบารณาไว้ว่าจะใช้ธรรมที่ทางสว่างสวยัยให้สาธุชนไปจนกว่าจะล่าสังขาง ธรรมะของอมงลุงตาที่ใช้สอนญาติโยมนั้นปรตเสมือนแกงหม้อใหญ่รสชาติปานกลางเป็นคำพูดที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายและไม่สลับซับซ้อนชวนให้ปวดหัวส่วนธรรมะที่สแสดงต่อพระสงฆ์ด้วยกันปรตเสมือนแกงหม้อจิ๋วรสชาติเผ็ดร้อนเป็นธรรมะค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ยากต่อการแปลความหมายทุกค่อยคำฟังแล้วจะบติดจับใจบ่งบอกถึงความเป็นพระผู้รู้แจ้งเห็นจริง ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สานุศสิทธิ์ของท่านจะมีครอบคลุมไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนท่านก็ไม่เคยเลือกที่รักมากที่ชังใครสนใจธรรมะจากท่านวัดตรมัาตา์ยินดีต้อนรับจะสักแต่ว่ามนุษย์ที่เหม็นที่เห็นหน้ากันอยู่นี่เลยแม้กระทั่งเท้าส ก, กะติวราชก็ยังมาขอพามเมตตา จากองค์หลวงตาเช่นกันดังที่หลวงตาได้เล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังว่าฝันซี่หนึ่งของท่านกําลังโยกพรอนจลุกพอตกกลางคืนท่านฝันว่าท้าสกะเทวราชพร้อมทั้งบริวารมาขอฟันซี่นั้นกับท่านเพื่อ น, นําไปให้ชทวยเทพทั้งหลายได้สการ บ, บูชาท่านก็ได้อนุญาตให้รุ่งขึ้นมาฟันซี่นั้นก็ได้หายไปแล้วนักว่า เป็นความโชคดีของท้าวสกฤเทวราชที่ได้ไปโดยหลักธรรมชาติแล้วพระป่ากรรมฐานท่านจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับใครหรือผู้ใดยิ่งในเรื่องการบ้านการเมืองถ้าเป็นธรรมมีความปกติดีอยู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลผู้บริหารประเทศส่วนท่านภาวนาอยู่ในป่าลึลกๆเป็นความสะดวกสบายที่สุดพระป่าท่านนิยมชมชื่นรื่นรมแต่ในป่าเหมือนเสือปรรถนาป่าปลาประถ น, น้า แต่ถ้าถึงคราวจําเป็นที่มีเหตุการณ์ไม่ดีงามเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองท่านจะดิ่งนอนใจไม่ได้เพราะชีวิติ่นสีคือชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความหมายเมื่อรู้ว่าเขามีทุกข์จำต้องโปรดให้เขาหายสางทุกข์พระของพระพุทธเจ้าทุกหมู่เหล่าล้วนถูกฝึกให้เป็นพระนักเสลีลศักเป็นนักต่อสู้ผู้มีเมตตาไม่เห็นใจความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรจงรักพัก ด, ดีต่อพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์แบบอย่างใดเป็นจารีตที่พระบุรพาจารย์อบรมสั่งสอนมาท่านจะยกบูชาไว้เยื่งชีวิตเลยทีเดียวท่านจึงมีตาไว้ดูหูวไว้ฟังใจเอาไว้คิดในพระธรรมที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนไม่เคยแงงนายเสื่อมคลายท่านจึงมีความสัมผัสสัมพันธ์สมักสมานสามัคคีด้วยความมีพระธรรมวินัยอันเดียวกัน